นวโกวาดธรรมวิภาคปัญจกะคือหมวดห้าอนันตริยกรรมห้าหนึ่งมาตุคาดฆ่ามารดา 2. ปิตุคาดฆ่าบิดาาอาอรหันตฆคาดฆ่าพระอรหันต์4โลหิตตุประบาดทำร้ายพระพุทธเจ้า จนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปหสังฆเภทยังส่งให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้ถือพระพุทธศาสนาห้ามไม่ให้ทำเป็นเด็ดขาดอภินหะปัจเจเวฆ่า 1. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ 3. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 5. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วเวสารัชการณธรรมคือธรรมะทำความกล้าหาญห้าอย่าง 1. ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. พ า, าหุสัจจะความเป็นผู้ศึกษามาก 4. วิริยารัมภะปรารบความเพียร 5. ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ องค์แห่งภิกษุใหม่ห้าอย่างหนึ่งสำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตสสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงามได้ในเวลาที่เห็นรูปด้วยในตาเป็นต้น 3. ความเป็นคนไม่เอกเรกรกเฮา 4. อยู่ในเสนาสนะอันสงัด 5. มีความเห็นชอบภิกษุใหม่ควรตั้งอยู่ในธรรมะห้าอย่างนี้องค์แห่งธรรมะกระถึกคือนักเทศห้าอย่าง 1. แสดงรมไปโดยลำดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความ 2. อ, อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ 3. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น ภิกษุผู้เป็นธรรมกรถึกพึงตั้งองค์ห้าอย่างนี้ไว้ในตนธรรมะสวนานิสงคืออานิสงค์แห่งการฟังธรรมห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดยอมเข้าใจสิ่งนั้นชัด 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทํทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสพละคือธรรมะเป็นกำลังห้าอย่าง 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความเพียร 3. สติความระลึกได้ 4. ส, สมาธิความตั้งใจมั่น 5. ปัญญาความรอบรู้พละห้าคือธรรมะเป็นกำลังห้าอย่างอินสีห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนนิวรห้าธรรมะอันกั้นจิต ไม่ให้บรรลุความดีเรียกนิวรมีห้าอย่างหนึ่งพอใจรักใกล้ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกกามาชัน 2. อปองร้ายผู้อื่นเรียกพยาบาท 3. ความที่จิตหดหูและเคลิบเคลิ้มเรียกถินะมิทะ 4. ฟุงซ่านและรำคาญ เรียกอุทัจกุกุจจะห้าลังเลไม่ตกลงได้เรียกวิจิกิจชาขันห้ากายกับใจนี้แบ่งออกเป็นห้ากองเรียกว่าขันห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่ สังขาร 5. วิญญาณธาตุสคือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเฉยเฉยคือไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนา ความจำได้หมายรู้คือจำรูปเสียงกลิ่นรสหดัพะอารมณ์ที่เกิดกับใจได้เรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมทำในที่นี้คือธรรมะนะครับเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจคือความคิดหรือเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมารมเรียกว่าสังขาร อารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากลิตเรียกว่าสังขารความรู้อารมณ์ในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณขันห้านี้ย่นยอ่อเรียกว่านามรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปคงเป็นรูปฉักกะคือหมวดหก้ารวะหกอย่างความเอื้อเปื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในความศึกษาหนึ่งในความไม่ประมาทหนึ่ง ในปฏิสันฐานคือต้อนรับราศัยหนึ่งภิกษุควรทาคาระวะหกประการนี้สารานิยธรรมหกอย่างธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงเรียกสารานิยธรรมมีหกอย่างคือ 1. เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจุระของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลภิกษุไข้เป็นต้นด้วยจิตเมตตา 2. เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจุระของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้น ด้วยจิตเมตตา 3. เข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและลับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกัน 4. แบ่งปันลาภที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียว ห้ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอ ก, กันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นๆไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นหมีความเห็นร่วมกันกับภิกษุสามเณรอื่นๆไม่วิวาดกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันธรรมะอกอย่างนี้ทําผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกัน เป็นไปเพื่อความไม่วิวาดกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์หกก็เรียกอายตนะภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นรสโอทั พ, ทพะ คืออารมณ์ที่มาถูกต้องกายธรรมะคืออารมณ์เกิดกับใจอารมณ์6กก็เรียกวิญญาณหกอาศัยรูปกระทบตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจกักขูวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูก เ ก, ญญเกิดความรู้ขึ้นเรียกขานวิญญาณอาศัยรถกระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณอาศัยโพธิภพก ร, ระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมะเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณสัมผัสห อายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกสัมผัสมีชื่อตามอายตนะภายในเป็นหกคือจักุสัมผัสโสตะสัมผัสคาณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเวทนาหก สัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างมีชื่อตามอายตนะภายในเป็นหกคือจักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาขานสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายสัมผัสสชาเวทนาและมโนสัมผัสสชาเวทนา ธาตุปัตวีธาตุคือธาตุดิน 2. อาโปธาตุคือธาตุน้ำา 3. เตโชธาตุคือธาตุไฟ 4. วาโยธาตุคือธาตุลม 5. อากาศธาตุคือช่องว่างมีในกาย 6. วิญญาณธาตุ คือความรู้อะไรได้